เรื่องเล่าผีหลอนตอนวิญญาณที่ทางสามแพรง่งย้อนอดีตไปเมื่อปีพุทธศักราช2505ในสมัยนั้นการเดินทางไม่สะดวกจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินทางด้วยเรือหรือไม่ก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าย่ำไปบนคันนาไฟฟ้าก็ยังไม่มี บ้านทุกหลังคาเรือนต้องใช้ตะเกียงน้ำมันและบ้านส่วนใหญ่จะมุงด้วยจากนายหยดหรือที่ชาวบ้านเรียกแกว่าลุงหยดแกทำงานอยู่ในกรุงเทพคือรับราชการครูนานๆทีจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่หนองจอกครั้งหนึ่งส่วนมากแกะจะออกจากกรุงเทพในวันศุกร์หลังเลิกสอนแล้ว และจะมาขึ้นเรือโดยสารในสมัยนั้นเป็นเรือของบริษัทนายเลิศคือเรือขาวเรือออกจากท่าน้ําที่ประตูน้ําประมาณ6กโมงเย็นจะถึงที่ตลาดหนองจอกก็เวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากนั้นก็ต้องเดินด้วยเท้ากว่าจะมาถึงบ้านก็เกือบเกือบตีสองในขณะที่เดินทางตอนกลางคืน ท้องฟ้าจึงมืดสลัวอาศัยแสงดาวที่กระพริบอยู่บนท้องฟ้าให้แสงสว่างน้ำค้างพร่างพรมลงมาต้องใบหญ้าเพราะเป็นเวลาดึกสงัดสายลมชายทุ่งพัดผ่านเย็นสบายอากาศสดชื่นไร้มลพิษเจ้าหิ่งห้อยลอยกระพริบวูบวาบไปตามสุมทุมพุ่มไม้ใบหนามองดูเหมือนแสงไฟกระพริบ ตามสถานเริงรมต่างๆแต่ทุกอย่างที่เห็นนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติอันแสนจะบริสุทธิ์ลุงหยดเดินลัดคนามาเรื่อยๆเพราะความเคยชินและมองไปทางเบื้องหน้าเห็นในเงามืดเป็นทางสามแพรง่งตามเส้นทางรอบๆบริเวณมีต้นไม้ใหญ่คือต้นกระทุ่มและต้นยางลุงหยด เดินใกล้ทางสามแพร่งเข้าไปทุกขณะแล้วจูๆ่ๆสุนัข ก, ก็เริ่มเห่าหอนอย่างน่าประหลาดคล้ายกับว่ามันเห็นผีทำให้ลุงหยดชะลอฝีเท้าที่ก้าวเดินให้ช้าลงเพราะเกิดความรู้สึกแปลกๆขนตามแขนและขาลุกซูซาชาสันหลังวับๆลุงหยดไม่เคยเชื่อเรื่องผี จึงพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดของคืนแรมมองไปข้างหน้าแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแกจึงเดินต่อไปในใจนั้นก็คิดวาวุ่นว่าผีมีจริงหรือความคิดหวนไปนึกถึงคำพูดของผู้ใหญ่ที่ว่าผีหรือวิญญาณนั้นมีจริงถึงตอนนี้ความคิดของลุงหยดหยุดกึก เกิดความกลัวขึ้นมาเฉยๆทั้งๆ ท, ที่ตั้งแต่หนุ่มจนอายุเกือบจะห้าสิบแกยังไม่เคยเห็นผีเสียงมาหอนยังคงดังโหยหวนและเยือกเย็นมันวังเวงบาดใจในยามดึกสงัดลุงหยดได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองย่ำไปบนคันนาเพราะความเงียบมันเงียบเสียจนน่ากลัว ในขณะที่ลุงหยดมาถึงทางสามแพรง่งพลันก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างสลับกันไปทำให้ลุงหยดแปลกใจดึกดื่นขนาดนี้ทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เด็กออกมาเล่นซนแบบนี้และเมื่อมาถึงลุงหยดก็ต้องหยุดเดินเพราะเด็กๆหลายคนแต่งตัวแปลกๆ บางคนนุ่งโจงกระเบนไว้จุบางคนเป็นเด็กทารกนอนแบเบาทรงเสียงร้องจ้าฟังฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากกว่าเสียงร้องของเด็กธรรมดาและเด็กบางคนก็วิ่งแย่งอาหารกันกินเหมือนกับอดมานานแรมปีและที่น่าแปลกอีกอย่างก็คืออาหารที่เด็กๆแย่งกันกินนั้นมันวางอยู่ข้างๆทาง และอาหารเหล่านั้นอยู่ในกระทงทั้งสิ้นนี่มันอะไรกันใครหนอมาทำพี่เรนเอาขนมนมเนยขาวหวานมาใส่กระทงวางไว้แล้วปล่อยให้เด็กเล็กๆเห ล, ล่านี้แย่งกันกินดูแล้วน่าสงสารจริงๆลุงหยดส่ายหน้าแล้วความคิดของแกก็มาสะดุดอยู่ที่คำว่าเครื่องเส้นลุงหยด ชักใจสัน่นหรือว่าโดนผีที่ทางสามแพร่งหลอกเอาเสียงหมาเห่าหอนยังดังไม่หยุดลุงหยดคิดในใจชัยแน่แล้วทุกอย่างที่เห็นมันจะต้องเป็นผีเมื่อคิดได้ดังนั้นแข้งขาก็เริ่มสัน่นอาการก้าวขาไม่ออกเหงื่อไม่เล็กเล็กผุดขึ้นบนใบหน้าลุงหยดแข็งใจนึกปลอบใจตัวเอง ค่อยๆก้าวขาเดินต่อไปและพยายามจะไม่สนใจกลุ่มเด็กเหล่านั้นเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นอย่างโหยหวนสลับกับเสียงร้องไห้งอแงลุงหยดก้าวเดินช้าๆเพราะขาแกสัน่นแต่แล้วให้ตายเถอะหัวใจของลุงหยดแทบหลุดออกจากขั้วเพราะเสียงเด็กวิ่งมาหาใกลๆแล้วพูดว่าลุงลง หนูไปด้วยหนูหิวเท่านั้นเองลุงหยดถึงกับก้าวขาไม่ออกหัวใจเสียวปราบหล่นลงมากองที่เทา้าเสียงหัวเราะของเด็กๆมันน่ากลัวและบาดความรู้สึกแทบคลั่งแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเสียงไก่ขันดังเจื้อยแจ้วฝูงนกเล็กๆส่งเสียงร้องชวนกันออกหาอาหาร แสงสว่างเริ่มจับขอบฟ้าต้องหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าเป็นประกายภาพของเด็กๆบนทางสามแพร่งค่อยๆเลือนหายไปอย่างชา้ชาๆเหลือไว้ให้เห็นก็คือกระทงที่ตั้งเรียงอยู่ตรงทางสามแพร่งกับเศษอาหารที่หกเกลือนตามพื้นดินลุงหยดยกหลังมือขึ้นปาดเงือ่อมาถึงบ้านเอาตอนหกโมงเช้าพอดี แกเป็นไข้เสียหลายวันไปทำงานไม่ได้แล้วต่อมาแกก็ลาออกจากราชการกลับมาอยู่บ้านเปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ทำนาเพราะสมัยก่อนความเจริญยังก้าวมาไม่ถึงจึงมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆจนกระทั่งเวลานี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมมีถนนมีไฟฟ้า มีรถสองแถวแล่นผ่านทางสามแพร่งนั้นคงอยู่แต่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ไม่มีใครไปสร้างที่อยู่อาศัยเพราะวิญญาณตรงนั้นดุร้ายมากปล่อยให้เป็นทางสัญจรของชาวบ้านวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียง แ, แปลกๆดังอยู่บริเวณทางสามแพร่งอยู่เสมอแล้วเรื่องราวทั้งหมด ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเรื่องเล่าห ล, อ น, หลอนจากคุณชายนิรนามด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งมาให้เราเล่าได้ที่ลิงก์ f c e b o o k f a ฟนเ g จด้านใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟัง